เจ็ดสังวิธานสิกขาบท120ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ชักชวนกันเดินทางไกลร่วมกันกับมาตุกคามณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารพภิกษุรูปหนึ่งถามเพราะเรื่องอะไร ตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่งชักชวนกันเดินทางไกลร่วม ก, กันกับมาตุคามในสังวิธานสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสี่สมุดฐาน